ฉันนั่งดูละครและย้อน ด, ดูดูเรื่องทุกอย่างทุกตอนเริ่มต้นก็คลายเริ่มจากรักและผูกพังอุปสรรคตัต้งมากมายแล้วนานไปฉันเองก็เพอ ล, ลืมตัว รู้ว่าเธอรักฉันก็เลยยิ่งได้ใจลงลืมไปฉันก็ยังคงเอาแต่ใจอยู่ยีนี้รักเธอก็รักฉันรั ก, ร ก, รกเธอจริงๆคนดีอยากบอกไม่เพียงเท่านี้ว่าฉันเสียใจ สุดท้ายฉันก็เป็นแค่ผู้ไร้ที่ทำไายทำร้ายใจเธอซะจนเธอทนไม่ไหวสุดท้ายก็ฉันคนเดียวที่ต้องเสียใจว่าจะรู้สึกตัวก็สายไม่ทันแก้ตัว รักเราจบลงไปเหมือนดังละครเปลี่ยนแค่ฉากบางตอนในวันสุดท้ายบทพระเอกที่เคยเป็นตัวฉันปัจจุบันกลายเป็นตัวไรนางเอกก็จำไม่ได้ว่าเคยรักกัน แค่เพียงอยากบอกเธอรู้แค่เพียงอยากบอกว่ารักก็ยังไม่ฟัง